ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็ยังขอผ่านหนังการเศร้าโศกทุตธรรมของคนไทยสมัยนั้นไปสักจุดหนึ่งก่อนอ ย, ย้อยกล่าวถึงเรื่องของท่านผูเทเา่าเล่าความคนโบราณ น, นั้นมักจะเคารพเทวดามากทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็อ้างว่าเป็นเทวดา เมื่อพระเจ้าละวะจังกราชเสด็จมาจากด้านทางด้านของจีนทางด้านอินเดียลงมาทางด้านที่เชียงฮะที่แม่สายลงมาจากเขากลุ่มคนพวกนี้แต่งตัวสวยสวยกว่าชาวพื้นเบืองมากแต่ก็เลยบอกว่าสมัยนั้นภุมเทวดาท่านหนึ่ง มาปรึกษากับเมียเห็นว่าคนไทยมีความลำบากอยากต้องช่วยมีความสุขแล้วก็ทอดบันไดเงินลงมาจากเขานี่ความจริงเรื่องนั้นไม่ใช่เป็นคนไทยที่มีความเจริญแล้วนั่นเองมาตอนนี้ท่านก็เล่าให้พ่อฟังคือพ่อรับฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุยี่ิบสองปี ถ้าบังเอิญมันจะตกจะหล่นไปบ้างก็ต้องขอภัยกรัรมรดาลูกรักแต่ว่าถือว่าเป็นธรรมะก็แล้วกันพ่อบอกแล้วนี่ว่าประวัติศาสตร์พ่อจะมาใช้เป็นธรรมศาสตร์เห็นแล้วนี่อยังว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ความแน่นอนของชาวโลกไม่มีโลกนี่หาความสุขอะไรไม่ได้ ความเป็นพระราชาของพระเจ้าพรงราชก็ต้องพังลงมาที่เรียกกันว่านิจังหาความเที่ยงไม่ได้ต้องทนทุกข์ทรมารกลายเป็นคนที่ต้องเขาใช้เขาบังคับและก็อนาตาในาสุดมันก็ต้องสลายตัวไปเวรานั้นว่าบุคคลหรือว่าพระราชาทั้งหลายพวกที่พวกพ่อ พ, พูดมาตั้งแต่เทพบน ต้องกระทั่งถึงในสมัยปัจจุบันนี้ท่านนั้นหลายเหล่านี้กระดูกของท่านอยู่ที่ไหนพ่อก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะลูกรักทุกคนจงมันขยันฝึกสมถะภาวนาวิปัสนาภาวน า, า, วนาสร้างความดีมีศีลมีธรรมสร้างงานสาธารประโยชน์ถ้าเราจะอยู่เป็นคนแล้วก็อยู่อย่างคนดี สร้างตนให้มีความสุขด้วยศีลด้วยธรรมแล้วก็ช่วยงานสาธารณะให้บุคคลอื่นเขามีความสุขอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างกับพวกที่เรียกประชาธิปไตยคนพวกนั้นไม่ใช่นักประชาธิปไตยเป็นอัตาตาธิปไตยหวังความเจริญรุ่งเรืองของตนฝ่ายเดียวดีไม่ดีก็เอนึกฝากตามประเทศ อยากจะออกนอกเขตเมื่อประเทศไทยพ้นจากความเปือ่อสรภาพแต่อยา่าลืมว่าไทยเวลานี้มีทั้ง44ลา้านคนถ้าเขามีใจเป็นไทยไม่ใช่ทาสพ่ อ, อมั่นใจในการรักษาเอกราชของความเป็นไทยและประเทศไทยก็จะต้องร่วมเรืองต่อไปตามนิมิตที่ปรากฏมวืวันที่2่วันที่13 มกราคม2522นิบันดาลูกรักไปเรื่อเร่งกันที่จานทึกพ่อดูตามภาพแต่พ่อก็มั่นใจว่าภาพนั้นต้องเป็นภาพเพราะสติสตางค์พ่อม่ได้ฟันเฟือนเป็นอันว่าตอนนี้ท่านผู้เท่าไม่ทราบว่าใครหรือจะเป็นพระเขาเล่าท่านเล่าให้ฟัง เพราะว่าพระเจ้ามังรายนี่สมัยเมื่อท่านสวรรคตแล้วย่าเลยว่าตอนนั้นพระเจ้ามังรายมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากแล้วก็อท่านก็ท่านกับพ่อท่านน่ะเกิดทันพระอรหันต์คำว่าเกิดทันพระอรหันต์ก็เพราะว่าพระสมัยนั้นพระพุทธกัตริย์พะมหากรศก ก็เพระว่าหากจยนะยันนัได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายพระเจ้าอชุตราชบรรจุสองวาระด้วยกันถ้าสำหรับในสมัยของพระเจ้ามังรายมหาราชมังรายนะั้นไม่ใช่เมืองรายแต่ความจริงท่านสร้างเมืองเชียงรายพระเจ้ามังรายนี้ก็ท่านมีพระหันทรงพรนาทรงนามว่าวชิระ มาพรา้อมในพระรหันห้าร้อยรูปนำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายท่านก็ทำการบูชาแล้วมีความเคารพในพระราตนไตรเจริญทรงศีลเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณจงว่าทั่งได้ฌานสมาบัติเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นพรหมตามกำลังของฌาน นี่ว่ากันถึ่งว่าท่านผู้ใหญ่ท่านลอยฟังใครจะบอกว่าโอริโทษเด็กก็ตามใจแต่ลูกหลานของพ่อลูกของพ่อเวลานี้ได้มโนยิทธิบวกกับวิชาสามกันมากนับเป็นพันพันคนถ้าพ่อเล่าไปให้ฟังนี้ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องใช้กําลังใจของตนที่ฝึกไว้ แล้วก็เอาไปพิจรารณาดูจะรู้ว่าพระเจ้ามังรายมหาราชเวลานั้นไปเกิดเป็นพรมชั้นที่เก้าโดยกำลังของชานสามอันดับละเอียดความจริงท่านน่าจะเป็นฌานที่สี่ถ้าทไมเป็นฌานที่สามช่างก็ช่างเถอะถ้าเป็นพรมได้ก็แล้วกัน ท่านก็มานั่งมองดูความเป็นไทยว่าไทยแต่กุลของท่านเวลานี้ไม่ใช่ไทยแต่แล้วกลายเป็นทาสลูกหลานที่ได้ใช้อํานาจของท่านด้วยความดีสร้างความสุขกับกลายมาเป็นความทุกอย่างหนักมีเภาพอผ้าถกขดขี เป็นอันว่าตอนนี้ที่พระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมาก็ต้องแข็งกระด้างดังศิลาปรหลาดใจแต่ว่าท่านคงไม่ประหลาดเพราะคิดตั้งใจว่าจะต้องลงมาช่วยไทยฉะนั้นในสามปีปีที่สามข้าพเจ้าพังค์ราชต้องเสียอำนาจใช้แก่ขอมและหมอนและมีความลำบาก ท่านจริงและอัตภาพจากความเป็นรมลงมาเกิดในแต่กูลขขาชาวบ้านคนหนึ่งแต่ความจริงพ่อพูดผิดไปนะท่านลงมาก่อนที่คนไทยจะพังนะ่ะนี่ตอนนี้พ่อพูดผิดไปท่านผู้เท่าเตือน ว่าพูดผิดไปว่าเวลานั้นก่อนที่พระนพระเจ้าพังลล่าจะเสียมหน้าจะขมเวลานี้เด็กคนนี้คือเด็กมังรายนี่มีอายุได้สิบหกปีนายเกิดเป็นโูกชาวบ้านเห็นเขาถูกพี่ค่าเข็งข่าข่าฟันกันแล้วก็ต้องเสียมน้าตอนนี้ก็บรเทา เมื่อบทเนนได้สามปีจำสินภาวนาตามเดิมเห็นทุกเป็นทุกข์เวลาจะาก็เข้าไปไหวตามปกติก็เข้าไปไหวไปบูชาพระสถู t h คือพระเจดีย์ที่ข้าถวายที่พระเจ้าอ่าพระเจ้าอาชุตราชกับพระเจ้ามังรายมหาราชตอนนี้เนนก็คงจะละลึกชาติไม่ได้ ไปไหว้ไปบูชาตามปกติวันหนึ่งก็เดินไปบินดาบาทในเขตของขอมชาวขอมก็ใส่บาทสองสามทับที่ก็เดินเข้าไปในคุ้มคือในพระราชฐานเวลานั้นพระราชฐานก็เป็นบ้านไม้ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากแต่ ว, ว่าถือว่ามีํานาจมากเท่านั้นเอง คนดีราชาเจ้าขอมดำมันหิ้ข้าวมันก็มโโหโทโสว่าไอ้โลกไทยซึ่งเป็นถาดมันจะมาขอข้าวกินนี่ห้ามคนอื่นให้ทั้งหมดปรากฏว่าตนเองก็ไม่ให้แล้วก็แถมข้าวที่เจ้าบ้านให้ไว้แล้วมันก็กลับให้เทคืนหมดเพราะไอ้โลกไทยใจคดโลกทาด จะให้มันกินทาไมเม้เนเมือ่อได้ความกระทบกระเทือนแบบนั้นเข้าก็เสียกำลังใจกลับเข้ามาตามอา่ตามโบราณคดีหรือว่าประวัติศาสตร์ของชาวเหนือเขาบอกว่าเน่งโกรธกลับไปยืนในที่รับแล้วก็ยืนนํำบาทเทินหัว ตั้งจิตอดีฐานภาวนาถึงองค์คงถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคอยเกิดเป็นไทยจะกลับมาฆ่าขอมให้หมดตอนนี้ผิดไปถ้ากําลังใจคิดว่าจะฆ่าขอมไม่หมดเวลาตายสมาธินี่ก็เป็นมิจฉาสมาธิตายแล้วก็ต้องลงนรกลงแบบส บ, สบายไม่ต้องผ่านสำนักของพระญายม แต่วความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเนียนมาคิดว่าโอ๋หนอขอมีใจร้ายความเปรต น, นั ต, ตาของโลกมีเกิดกันได้ได้ในเขตทุกข์หนักเราเป็นเนียนไปขอตามแต่เขาแยให้ด้วยการดลสนีภาพแต่ได้ว่าคนอื่นก็ให้แต่เจ้านายของผู้ใหญ่กับขับไล่ทีทข้าวของเราออกหมด ทันจังนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตััสว่าโลกนี้เป็นนิจอยงหาความเที่ยงไม่ได้ถ้าทรงกายอยู่มันก็เต็มไปได้วยทุกขงังมีแต่ความทุกข์จะหาความสุขอะไรก็ไม่ได้แน่นอนในที่สดุดองค์สมเด็จพระจินวรก็กล่าวว่าเป็นนิทานัตตาในที่สุดมันก็ตาย ยิงได้ตั้งใจแผ่เมตตาไปในบรรพบคนไทยทั้งหลายว่าขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขปราศจากความเป็นทาสและปราศจากอำนาจของขอมขอขอมผู้ทอยยศจังหมดอำนาจและหลังจากนั้นไปสามัญในน้อยก็ใช้ปรมวิหารสี่ เวลานี้เนในอายุได้สิบเก้าปีแล้วก็จริญสมาธินึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระชินาสีขอให้คนไทยทั้งหมดจงปรากฏว่ามีความสุขยังมีอิสรภาพปราศจากความเป็นภกและอาศัยที่จิตคิดพระวงถึงความเป็นคนไทย ต้องการให้ไทยมีความสุขเมนเจริญสมาธิอยู่ในที่เดียวไม่ได้บริโภคอาหารประมาณเจ็ดวันร่างกายทนไม่ไหวลมปราณก็สิ้นไปอาศัยที่กำลังจิตใจห่วงคนไทยแต่ด้วยกำลังของฌานสามัญเน้นน้อยก็กลับไปเกิดเป็นฟร้ชั้นที่สิบสอง ตามกําลังของชาญสี่ที่ทรงพอขึ้นไปปรากฏไปอยู่ที่นั้นได้ไม่นานไปนั่งแล้วก็เองกายนึกถึงว่านี่เรามาจากไหนที่ประสมบัติที่ได้มาเพราะอะไรเป็นเหตุอาศัยธรรมะหรือความดีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกาเชษทรงสอนก็เป็นเหตุให้สมณเณรทราบมาว่าทราบว่าเรามาจากไทย ที่เราตายก็เพราะอาศัยการเจริญสมาธิมีพรมมิหารสี่เป็นที่ตั้งตั้งใจให้ไทยมีความสุขรมสมัมเนินก็นั่งพิจรารณาแล้วจิตใจแผ่เมตตาให้กับชาวไทยให้พ้นจากอันตรายจากความเป็นทาสในช่วงขณะเดียวก็มีพรมเกา่าเพล่งกันคือท้าประกาศพม เข้ามาเตือนว่าท่านมาหากรมท่านจะมานั่งชมความดีความบริบูรณ์ผลสุขของท่านอยู่นี้นเป็นการไม่สมควรท่านจะมานั่งนึกให้คนไทยมีความสุขเองนะมีความสุขไม่ได้ในฐานะที่ท่านบระกอเป็นบุคคลหนึ่งทึ่เป็นต้นแต่ ก, กูณคือว่าต้นแต่ ก, กของคนไทยพวกนี้คำว่าต้นนำไปต้นตอนหลัง ท่านย้อนหลังไม่ว่าท่านเป็นลูกชายพระเจ้ า, าชุตตราชเมื่อพระราชบินดาที่วงคตแล้วท่านเป็นกษัตริย์ขยายอาณาจาักรไทยกว้างขวางออกไปโดยธรรมมาคราวนี้คนไทยที่เป็นลูกหลานของท่านแต่ความจริงพระกาบผมนี่เขาไปจากไทยเหมือนกัน กำลังมีความลําบากท่านอยามานั่งความสุขนั่งสวยความสุขที่วิมานนี้ไม่มีการสมควรควรที่จะลงไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้าพังคราชแล้วพระทัพอากาผมก็ประกาศถามหาพรมที่เป็นบริวารว่าใครบ้างที่เคยเป็นคนไทยต้องการให้ไทยมีความสุขก็มีพรมอยู่ สองอห้าสิบท่านพร้อมที่จะลงมาเกิดและก็มีพรหมีสามท่านพร้อมที่จะลงมาเป็นช้างเป็นภาณะที่เป็นพรมทรงอภิญญาที่สามารถจะขับไล่ข้าศิบได้โดยงา่ายเมื่อพรหมมาไปชุมพร้อมกันแล้ว ท, ท่านพระบกาพรหมจึงบอกให้พรมสัมาเนน ว่าจงลงไปเกิดเป็นลูกข้าพเจ้าข้าพเจ้าพังคาราชเป็นลูกชายคนที่สองถ้าผมอีกยี่สิบให้อีกสองร้อยห้าสิบคนก็ไปแต่เกิดไปเกิดแต่คนของคนไทยซึ่งสาหชาติเป็นอันว่าใช้เวลาเพียงปีเดียวปีเดียวของเมืองมนุษย์ถ้าผมก็คงจะเป็นสัก สครึ่งชั่วโมงท่านตรมสมัมมเองก็จติลงสู่คันมารดาเวลานั้นพระเจา้าพงศ์ราษมีลูกชายแล้วหนึ่งคนชื่อทุกทิขะให้ชื่อแบบนี้เพราะว่าลูกคนนี้เกิดในเวลาที่มีความทุกข์ยากเวลาเข้าสู่คันมารดาคัมารดาก็เกิดในเรื่องแพ้ทองของคนก็มีความยาก ความอยากอันดับแรกก็คือต้องการเครื่องของกษัตริย์เครื่องทรงของกษัตริย์อยากจะมองเห็นเครื่องทรงของกษัตริย์ถ้าไม่มีก็จิตใจไม่สมบายไม่กินข้าวไม่กินปลาท่านพระราชาสวามีคือพระเจ้าพังกาได้ก็จัดหามาให้เพราะเวลานั้นยังมีอยู่ท น, นันนก็ชื่นชมยินดีในเครื่องของเขาสัตย์ แล้วส่งเครื่องของกันสัตว์ในที่รับรับก็าอยู่ในห้องมีความสุขแล้วต่อมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกคิดว่าการเป็นกันสัตว์ถ้าไม่มีอำนาจไม่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์จะมีอะไรไปเครื่องป้องกันประเทศนึกถึงเหตุในตอนต้นก็ตระกราบทูลพระราชสวามีทรงทราบว่าต้องการสรรพาวุต พระราชสวามีก็ตามใจแล้วต่อไปก็เคยความต้องการอีกว่าต้องการอยากจะกินเลือดขอมเป็นอันว่าพระราชสวามีก็หามาให้มันก็ไม่ยากขอ ม, มันหลงๆก็ไปก็ให้พกันสักปั๊บเดียวเลือดมันก็ไหลาตายไปเลยเมื่อได้กินเลือดขอมก็มีความสุขใจ พระเจ้าพังกนานราชแปกใจว่าลูกชายคนนี้นี่ไม่ใช่ลูกชายนะลูกคนนี้เกิดมามีนิมิตแปลกแม่แพทองอหญ่ได้ของแปลกที่ได้นำโหนมาให้ทาหํานายพญาโหราทั้งหลายก็ทราบว่าเด็กคนนี้มาจากรมแล้วก็มาพร้อมกันกับเด็กอีกสองร้อยห้าสิบคน ยามาทำไทยให้เป็นไทยกูยส้สภ้อาแพรบหน้าไทยให้กว้างขวางออกไปจากนั้นพระเจ้าพันธราชจะให้การแปรกอบประ ง, งมเด็กเป็นดีเมื่อคลอดออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นเด็กที่มีผิวพรรณลักษณะ ส, สวยงามมากหาที่ติมีได้คำว่าหาที่ติมีได้ี่เป็นที่ท่านผู้ใหญ่เป็นบอกแต่ความจริงร่างกายของคนมันมีที่ติทุกแห่ง ถ้ามันเต็มไปได้วยความสกปรกโสโครกไม่ว่ากันแต่ตามแบบทางโลกว่าไม่มีที่ติเมื่อเขาไม่ติก็เลยไม่ต้องติกันแต่ความจริงมันก็ช่างเถอะว่าก็ตามโลกนี่นะผิวพรรณผุดพองงดงามมากเวลาข้อดก็ข้อดสบายไม่ก็สบายลูกก็สบายสร้างความชื่นใจแต่บรรดาประชาชนนันหลา ย, ลายตามนิมิต บรรดาชาวบ้านชาวเมืองนั้นหลายทราบว่ลาลูากข้าพเจ้าพังราฐออกต่างคนก็ต่างถือของขวัญขอเครื่องกํานัลต่างๆเอาทองคํามาสะสมกันเข้าไว้ให้เป็นของกํานัลเท่าที่มีอยู่เท่าความดีใจมีเท่าไรกองเท่านั้นเพราะนั้นเมื่อเวลานั้นอาศัยที่พรมเด็กชายพรมเกิดขึ้นมาในคราวนั้น แต่เจ้าพังกราชได้ของกำนันจากทองคําถึงพันช่างนี่ท่านผู้ใหญ่เล่าความมาตามนี้นะ่ะเพราะว่าทองเขาร่อนกันได้แล้วก็ต่อมาท่านก็เสีบสวนทวนพยานทวนถามว่ามีเด็กเกิดใกล้ๆกับลูกชายของท่านมีไว้มีไหมไม่เกินสามวันอ้อนแกกันไม่เกินสามวัน ชาวบ้านก็บอกว่ามีรวมเด็กได้สองรอยห้าสิบคนท่าเจ้าพัราร่าก็ให้การปรกครองถือว่าเป็นสายชาติของลูกชายเวลานั้นก็ไม่มีเวียงไม่มีวังมีบ้านอยู่แบบธรรมดาธรรมดาให้เข้ามาอยู่ ใ, ใกล้ๆให้การรักษาให้การรักษ า, ก า, กาพยาบาลให้การเลี้ยงดูเป็นอย่างดีลูกชายคนนี้ก็มีนามว่าพงหมกมาร กรมกุ ม, มานี่มีความฉลาดเป็นมิเสร็จพร้อมเด็เด็กอีกส้อยห้าสิบคนพอวิ่งเล่นเดล็แข็งก็เล่นตะแปลกคือเล่นการรบใช้วิธีการรบบงังใช้วิธีการเกษตรบางทําลําน้ําเล็กๆสร้างแบบขึ้นมาแบบเด็กๆใช้ยุทธวิธีการรบโดยมา้าการรบโดยช้างการรบโดยเท้าการวางแผนการรบ พ่อและบคุคคลทั้นหลายอำห ม, มายข้าราชบริพารมองเห็นแล้วก็ชื่นใจแต่เห็นเด็กทำไม่ถูกไม่ต้องผิดแบบไปบ้างก็เข้าไปแนะนำตักเตือนว่าทำอย่างนั้นจึงจะดีทำอย่างนี้จึงจะดีเป็นว่าผู้ใหญ่ก็เลยเล่นกับเด็กเป็นอันว่าเด็กๆ ก, ก็ทำตามก็ดัดแปลงแก้ไขเป้นที่ชอบใจของผู้ใหญ่ คนเด็กชายพรหมยุทธ์ได้12ปีเวลานั้นพระเจ้าพังกราชท่านเสด็จไปไหนท่านก็อุ้มลูกชายและกัเด็กสมัยนั้นวักมักจะชอบเอาไว้จุกเอาไว้แกะเอาไว้เปียกันเด็กเอาไว้จุกปากปิ่นทองทรัพย์สินเงินทองที่หาก็รู้สึกว่าตั้งแต่เด็กชายพรหมเกิดขึ้นมา บรรดาคนไทยทั้งหมดก็รู้สึกว่ามีความสุขด้วยทรัพยากรต่างๆและพืชพันธุ์ญาอาหารที่สร้างมันกนได้ดีเป็นพิเศษทำให้เลือมตาอ้าปากกันได้คนไทยสมัยนั้นเป็นคนทีอโชคเทอลานเพราะคิดว่าที่มีมันได้ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏได้ก็เพราะอาศัยบุญญาธิการของเด็กโลกของพระเจ้าพังการา มันได้ของมาก็พากันมาให้รางวัลทุกปีทรัพยากรทั้งหมดก็มากมียขึ้นตามลำดับ <c oughs> ต่อมาเมื่ออายุสิบสี่ปีในตอนอายุสิบสองปีนั่นไปกับพ่อเห็นการากเกษตรไม่ดีก็ให้พ่อแนะนำบรรดาประชาชนว่าทำอย่างนั้นอาจจะดีทำอย่างนี้อาจจะดีพ่อพิจรนารณาแล้ว พันดาผู้ใหญ่พิจนารณาแล้เห็นด้วยว่าดีที่จะได้ช่วยจะแนะนำชาวบ้านการเษกษตรการทำมาหากิงเขรู้สึกวัาดีมีความมั่งคั่งสมบูรณ์การส่งสอยของก็เป็นไปตามปกติพออายุได้ทิบสี่ปีเด็กชายพรหมเด็กชายพรหมเระว่าเด็กชายมังรายเดิม ก็แนะนําขอพระราชให้พระราชบิดาสร้างสรรพอาวุธจะเอาอยัางไงพ่อก็ตามใจทั้งหมดเพราะว่าเชื่อโหรเป็นว่าพ่อก็เกณฑ์คนที่เป็นช่างเหล็กมาตีเหล็กกันปีหนึ่งเกณฑ์มาตีเหล็กกันสามเดือนเรียกว่าให้ใช้เวลาว่างจากการเกษตรสามเดือนมาช่วยกันทําอาวุธทุกอย่าง เมื่อสะสมดีแล้วการฝึกปือตอนนี้เริ่มฝึกทหารผู้ใหญ่เตรียมการรบกันทุกคนตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีการยุทธวิธีกันในที่รับซ้อมรบกันอยู่เสมอเสมอเพื่อจะกู้ชาติคาว่ากู้ชาติเกิดขึ้นไทยทั้งชาติยิ้มไปตามๆกัน ว่าเราลำบากยากแค้นดินแดนที่เรามีความสุขเจ้าของดำมันมาครอบครองเราต้องมาอยู่ในเขตของความทุกข์เมื่อกำลังพร้อมแล้วฝึกปืนปือกันมาสองปีพอายุสิบหกปีเด็กชายผมก็สั่งให้คนชาวบ้านทั้งหมดทำเหมืองฝายจากแม่น้ำของแม่น้ำม า, ายัย เข้ามาเป็นทางน้ำไหลให้พ่อสั่งให้มันดาวปชายชนขุดสระใหญ่ๆสิบเจ็ดสระแล้วก็ตามหมู่บ้านทั้งหมดให้มีสระทุกบ้านเพื่อขังน้ำไว้ใช้ในดูแลงแท่งการเกษตรหรืว่าการกินเพื่อว่าเราถูกลองเขากแกล้งเราจะมีน้ำแต่ขาดน้ำาพี่อย่างเดียวมันก็ตาย เมื่อเด็กชายฟมบอกอะไรพระราชาตะ ต, ะตกไปชาวบ้านพร้อมทำทุกอย่างเพราะว่าเขามีความเคารพว่าเด็กชายฟมคนนี้จะต้องกลับมากู้ชายกันแน่เมื่อถึงอายุสิบหกปีเห็นว่าพร้อมสับอาหารการบริโภคก็พร้อมความเป็นอยู่เป็นสุขไม่ถ่ายแคลนสันภาวกะก็พร้อมกาลังลดฝึกฝือกันดีแล้ว ลูกแก้วเด็กชายพรมจรึงกราบโทลพระราชิวิดาว่านับตั้งแต่บัรนี้ไปต้นไปขอพระจาข้อได้โปรดจงยาท่งสวยให้แก่ขอมแล้วก็ส่งคนของตนที่มีความเฉลาดในการฝึกฝืนในการรบยุทธวิธีทั้งฝ่ายบูและฝ่ายผลมันญาติหนีมีความฉลาดมีความอ่อนน้อมเข้าไปอยู่ในเขตของขอมสังเกตการว้ ว่าการไม่ส่งสวนคราวนี้ขอมจะทำยังไงอาละรดา ล, ลกูกลัคทั้งหลายมองดูเทพหน้านี้ก็หมดเสร็จแล้วในะลกนะรับฟังกันหน้าต่อไปจะได้ทราบสัมประวัติเดมิมว่าคนที่ขยันเกิดในเขาเกิดจนแบบไหนกันบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความศกสวัสทิทิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผล พวอลูกทุกคนจงเป็นผู้ช น, นะในะเหตุทุกประการสวัสดี